คนขายขนมหวานแสนขยันเนิ่นนานมาแล้วนี่เมืองแห่งหนึ่งมีคนขายขนมหวานคนนึงอาศัยอยู่เธอชื่อแมนดี้ลูกกวาดและเค้กของเธอขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะคัพเค้กสตรอเบอรี่และคัพเค้กช็อกโกแลตแมนดี้จะเปิดร้านเบกเกอรี่ของเธอตั้งแต่เช้าตรู่ และขายเฉพาะเ ค, ค้กที่ทําจากส่วนผสมที่ดีที่สุดและทําเสร็จใหม่ๆเท่านั้นถ้าหากว่ามีเ ค, ค้กเหลือในวันนั้นเธอจะแจกฟรีให้กับเด็กๆและทําเ ค, ค้กใหม่ในวันต่อไปผู้คนมักจะมาที่ร้านขาย ข, ายขนมเล็กๆของเธออย่างสม่ําเสมอจริงๆนะแมนดี้คัพเ ค, ค้กของเธออร่อยมากเลยลูกชายของฉันจะเอาแต่เ ค, ค้กของเธอในวันเกิดเขาเลยนะ ขอบคุณมากนะคะและนี่จ้าคัพเค้กสุดพิเศษสองชิ้นสำหรับวันเกิดของหนูสุขสันต์วันเกิดนะขอบคุณมากครับคุณนาฟังตรงข้ามร้านของเธอคือร้านบานี่ขนมหวานบานี่นั้นขี้เกียจมากเมื่อเขาเห็นลูกค้าต่อคิวซื้อเค้กจากแมนดี้เขาก็จะรู้สึกอิจฉาตลอดเวลาถ้าร้านของเธอยังขายดีแบบนี้ต่อไปต้องไม่มีคนมาร้านเบกเกอรี่ของฉันแน่ ถ้าจะต้องทำอะไรสักอย่างดังนั้นบาร น, นี่จึงคิดแผนการตลาดเพื่อดึงลูกค้ามาที่ร้านของเขาครับเค้กซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจอครับเค้กซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจอลูกค้าบางคนจากร้านแมนดี้ย้ายมาซื้อกับร้านบา น, นี่แต่ไม่นานพวกเขาก็กลับไปซื้อกับแมนดี้ครับเค้กซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจอบ่อบ น, นี้ เค้กของนายอร่อยสู้ร้านแมนดี้ไม่ได้อะถึงนายจะลดราคานะแต่ว่าเค้กของนายมันไม่สดใหม่พอขอโทษทีนะวันหนึ่งมีขุนนางมาที่ร้านของแมนดี้เธอคือแมนดี้คนขายขนมหวานผู้มีชื่อเสียงใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะมีอะไรงั้นเหรอคะ่ะ ลูกชายของฉันได้กินคัพเค้กช็อกโกแลตในงานวันเกิดของเพื่อนเขาเขาเลยอยากจะได้ในงานวันเกิดของเขาด้วยนอะเป็นเกียรติมากเลยคะ่ะท่านทำไมท่านไม่ลองชิมคัพเค้กดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจละคะอ้เยี่ยมไปเลยอืมมันอร่อยมากเลยนะฉันว่าพวกเขาจะต้องชอบมาในงานปาร์ตีนะ้แน่ฉันดีใจมากเลยคะ่ะ อยากได้สักกี่ชิ้นดีคะแล้วจัดวันไหนเอ่ยการปาร์ตี้จะจัดในวันเสาร์เหลืออีก3วันใช่ไหมคุณช่วยส่งเค้กสักร้อยชิ้นไปที่บ้านของผมหน่อยเง้นฉันจะส่งเค้กไปให้ในวันเสาร์เวลา3าโมงนะคะแมนดี้ทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมครับเค้ก100ชิ้นในขณะเดียวกันบาร์นี้ดีนเรื่องเกี่ยวกับการสั่งซื้อเค้กของแมนดี้และเขาตัดสินใจที่จะทาลายมัน คุนนางในราชสำนักชอบเค้กเธองงั้นอะถ้า ง, งั้นเขไม่มีใครมาร้านเบเกอรี่ของฉันแนะ่ฉันจะต้องทําให้เธอเสียทื่อในคืนนั้นเองเมื่อแมนดี้เตรียมคราบเค้กทั้งหมดจนพร้อมในที่สุดก็ทําเค้กเสร็จหนึ่งชิ้นแล้วสินะฉันจะส่งมันไปที่บ้านของคุณนางพรุ่งนี้เช้าเลยเธอจะส่งเค้กได้ในตอนเช้าถ้าหากพวกมันยังอยู่น่ะ น, นะ วันรุ่งขึ้นเมื่อแมนดี้มาที่ร้านเธอตกใจสุดขีดเมื่อเห็นหนูกำลังกินเค้กของเธอโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงดีเหลือเวลาส่งเค้กอีกแค่สามชั่วโมงเท่านั้นเองแมนดี้กังวลเป็นอย่างมากทันใดนั้นบาดนีก็ได้เข้ามาในร้านของเธอเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมนดี้ถ้าไม่เธอดูเครียดเครียดละ่ะคุณ คุณไม่เคยเปิดด้านเบกเกอรี่เช้าๆแบบนี้นี่นอะคุณมาทําอะไรที่นี่ก็ฉันนะ่ะต้องซองคัพเค้กไปที่บ้านคุณนางวันนี้ยังไงล่ะฮะ้อโอคุณขโมยเค้กของฉันไปนี่เองทุกอย่างนะ่ะมันเป็นธุรกิจนี่เนะตอนนี้แมนดี้โกรธมากเธอไม่ยอมให้บาร น, นี่ออกไปจากร้านของเธอแต่เธอจะทําอะไรได้ล่ะทันใดนั้นเองเธอก็คิดแผนออก เธอรีบเข้าไปในครัวในร้านของเธอและออกมาหลังจากผ่านไปสามชั่วโมงและนี่คือสิ่งที่เธอพาออกมาดูสิครับคุณแม่เค้กนั่นเหมือนกับปราสาทเลยประสาทเคกนะครับผมอยากได้จังเลยว้าวนันเป็นเค้กที่ดูสวยมากเลยคุณทำมันเองเลยอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะ ดังนั้นแมนดี้จึงส่งเ ค, ค้กที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนไปยังบ้านของคุณนางโอ้ทำมันเ ค, ค้กที่สวยจริงๆเลยขอบใจจ้ะฉันดูนะว่าหนูต้องการคัพเ ค, ค้กแต่ฉันอยากให้มันพิเศษในวันเกิดของหนูนะ่ะผมผมชอบมันมากและตอนนี้ชื่อเสียงของแมนดี้ก็ไม่ได้มีแค่คัพเ ค, ค้กของเธอเท่านั้นมันยังรวมไปถึงเ ค, ค้กที่สวยงามของเธออีกด้วย ตอนนี้เธอมีออเดอร์มากมายที่ต้องส่งมากกว่าเดิมในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแมนดี้ไม่ได้ยอมแพ้ให้กับมันเธอตั้งสติใช้ความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนมันให้เป็นความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม